ณโถงอาคารหนึ่งร้อยปีสมเด็จพระศรินครินโรงพยาบาลสิริดาษวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาสำนึกมารําลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายเกิดมาก็มีครูมีอาจารย์สอนอบรมสั่งสอนมา มีพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์คนแรกแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็จะมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนในวิชาการต่างๆแต่ว่าครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครูใดๆในโลกของเราก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศพระสัธรรมแก่ชาวโลก เราจึงได้รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นสิ่งที่ประโยชน์อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทางไหนควรที่จะดำเนินควรที่จะปฏิบัติทางไหนควรที่จะงดเว้นไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ที่ชี้แสงสว่างแก่โลกฉะนั้นการที่เรามาปราบรกโดยเฉพาะชุมนุมพุทธธรรม โรงพยาบาลศิริราชของเราได้จัดให้มีการแสดงความรําลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่และเป็นชัยชนะที่สําคัญเป็นชัยชนะที่ไม่กลับแพ้ในเรื่องของมารทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเราทั้งหลายเป็นสัตว์โลก บุคคลหนึ่งที่เวียนไหวาตายเกิดในสังสารวัตรอันยาวนานหาเบื้องต้นว่าเริ่มต้นที่ไหนก็ไม่พบหาเบื้องปลายว่าไปสิ้นสุดที่ไหนก็ไม่เจอแต่ว่าพระองค์อาศัยพระปัญญาบา ร, รมีรู้ความเป็นไปต่างๆของสัตว์ทั้งหลายเห็นโทษของการเวียนไหวาตายเกิดในสังสารวัตได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้ว มีพระวิริยะอุตสาหะโดยเอาพระเมตตาและพระกรณาที่คุณเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งบำเพ็ญบารมีส0สบทัศมีฐานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีเป็นต้นเพื่อจะให้พระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและสามารถชนะกิเลสต่างๆแล้วสามารถนำหลักธรรมคำสัง่งสอน ต่างๆที่เป็นธรรมชาติหลักสากลที่เป็นเครื่องที่จะข้ามพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์ทรงอุตสาหะพยายามทุ่มเทสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อการชนะที่ยิ่งใหญ่จากการที่พระองค์ได้ชนะมาแล้วโดยการทรงบริจาคทั้ง5สละทรัพ ส, สมบัติเป็นอของ ให้แก่บุคคลอื่นเรียกว่าธนบริจาคะทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สามารถมีสามารถสละได้พระองค์ต้องสละเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส, มสัมาสำโภทิยานสองปุตตะจริ ป, ปริจาคะสละบุทธิดาโลกผู้เป็นที่รักยิ่งดังแก้วตาดวงใจพระองค์ก็ยอมสละได้ภ ร, ย, รยาปริจาคะสละภระยาผู้เป็นที่รักดังดวงใจก็สละได้ อังคะปริจาคะอวัยวะน้อยใหญ่ที่เป็นรักยิ่งกว่าสิ่งภายนอกของตัวเองก็ยังสามารถที่จะสลักได้ตลอดถึงชีวิตตะปริจาคะเป็นอันดับที่หสลักแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ น, นิความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกที่พระองค์มีตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ตั้งแต่เป็นบุคคลผู้เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราทั้งหลาย แต่พระองค์ทรงอาศัยคุณธรรมที่มีในพระไทยของพระองค์เองอบำเพ็ญบารมีม า, าถึง20อสงไขยแสนมหากรับตั้งแต่ยังไม่ได้เอ่ยปากบอกใครตั้งไว้ในใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเพื่อให้ได้รื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรเป็นเวลาผ่านไปเจดอสงไขย เจ็ดอสงไขยผ่านไปยังไม่ได้บอกปากยังไม่ได้เอ่ยปากบอกใครว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจนถึงได้มีความมั่นใจในพระองค์เองว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว เ, เริ่มปริปากบอกเก่บุคลลบคลทั้งหลายประกาศแก่บุคคลทั้งหลายสร้างบารมีสิ่งใดขึ้นมาก็ประกาศบอกว่าเราจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมาอีก9กาอสงไขย เป็นเวลายาวนานจนได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรว่าโคติสัต์องค์นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนบำเพ็ญบารมีมาอีกสี่อาสงไขยซึ่งเวลาหนึ่งอาสงไขยนั้นเป็นเวลายาวนานมากท่านเปรียบเสมือนว่าภูเขาโลกหนึ่งสูงได้ร้อยยอด ร้อยปีผ่านไปให้เทวดานำผ้าข า, ขาวๆไปโบกพัดทีหนึ่งจนภูเขานั้นราบเรียบเสมอกับพื้นแผ่นดินถึงจะเป็นหนึ่งอสงไขยเรียกว่าโลกเกิดขึ้นแล้วแตกดับทาลายไปเกิดขึ้นแล้วแตกดับทาลายไปเรียกว่าหนึ่งอสงไขยนั้นจึงเป็นเวลายาวนานมากแต่ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้น ที่ว่าเพื่อจะต้องการรื้อสัตว์ผลสัตว์ออกจากสังสารวัตพระองค์จึงอุตส่าห์บำเพ็ญสืบเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็น เ, เกิดยุนเป็นชาติอะไรก็ตามบางทีก็เป็นมนุษย์เหมือนเราบางทีก็เป็นเทวด า, เ, าเป็นเทพบางทีก็เป็นพรหมบางทีก็าจากอากุศลกรรมที่ต้องพ่ายแพ้แก่กิเลสสมานพระองค์ก็ต้องตกไปสู่นรกบ้าง เป็นเปรตบ้างเป็น อ, อสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างแต่ว่าเมื่อชาติไหนที่มีจิตสำนึกของสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ต้องบำเพ็ญบำเพ็ญแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าใครอ่านในชาดดบต่างๆก็จะเห็นว่าเกิดในชาติไหนพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีต่างๆเพื่อให้สัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นบรรลุผลสาเร็จขึ้นมาก็คือการได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เป็นการชัยชนะที่ไม่กลับแพ้ฉะนั้นพุทธศาสนิกชนในรุ่นหลังของเราโดยเฉพาะประเทศพม่าสีลังกาอินเดียเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องพุทธชยันตีเป็นชัยชนะที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพิเศษที่จริงก็เรียกว่าพุทธชยันโตก็ได้แปลว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าแต่คำว่าพุทธชยันโตนั้นเป็นการชนะใหม่ๆชนะแล้วกลับแพ้ อ, อีกก็มี แต่ว่าพุทธยันตีนี่ว่าชนะโดยปกติชนะแบบราบรื่นชนะแบบไม่มีกลับแพ้อีกโดยที่พระองค์ได้ทรงรับชัยชนะครั้งนั้นเมื่อวันขึ้น15ค่ําเดือน6หรือวันวิสาขาบูชาหลังจากพระองค์ได้บําเพ็ญทุกขกรรมยามาถึงเวลา6ปีได้ตรัสรู้นุตระสัมมาสัมโพธิญาณทรงได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่คือชนะมารทั้งห้า มารทั้ง5้าก็คื อ, คอสิ่งที่มาก่อความรังคานสิ่งที่มาทําให้ทุกขทรมานหรือสิ่งที่มาเบียดเบียนทําร้ายให้เราอยู่ไม่เป็นสุขซึ่งมีหนึ่งขันธมานอัตภาพร่างกายของเราคือรูปนามขัน5้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นรูปนามของเรานั้นเป็นมารชนิดหนึ่งคอยรังควาลอย่างที่โรงพยาบาลเราจะเห็นได้ชัด เตียงทุกเตียงห้องทุกห้องเต็มไปด้วยผู้ป่วยต่างๆนี่ก็เพราะว่าขันธมารคอยรังควานเราให้เจ็บให้ปวดให้เมื่อยให้ทุกทรมานเป็นโรคต่างๆมีอวัยวะส่วนใดของร่างกายมาก็เป็นโรคอันนั้นรักษากันไม่หวาดไม่ไหวตายแล้วตายอีกตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย เต็มอยู่เช่นนี้เรื่อยไปนี่คอยรังควานของเราแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะขาดแล้วจากขันธมารเมื่อพองปรินิพานไปแล้วสองมัจจุมาลคือความตายความตายก็เป็นเครื่องที่ทําให้เราเจ็บปวดทําให้เราทุกข์ทรมานหรือทําให้เราต้องเดือดร้อนใจหลายคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้เจริญมรณสติเมื่อนึกถึงความตายขึ้นมาแล้วก็จะสะดุ้ง ก็จะหวาดหวั่นก็จะตกใจเมื่อนึกถึงความตายแล้วไม่สบายใจแต่สำหรับผู้ที่บำเพ็ญเรื่องมรณสติมาดีแล้วก็อาจที่จะทำใจได้แต่ว่ามัจุมารนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกไม่มีใครที่จะต้านทานได้ไม่มีใครที่จะหยุดยั้งมันได้นอกจากบุคคลนั้นปรินิพานไปแล้วสเทวปุตตมานเทวบุตรคือเทวดาที่เป็นมารเทวดาก็ เกิดด้วยจิตที่เป็นเหมือนกับเร า, าเกิดด้วยกุศลและจิต<ม>แต่ว่าอุปนิสัยสังสมที่เป็นมารก็มีมาเหมือนกับคนเรามีทั้งคนดีและคนชั่วเทวดาก็เหมือนกันมีทั้งเทวดาดีและเทวดาชั่วเทวดาที่ไม่ดีก็จะคอยรังควานบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ทําความดีก็จะมีมารเนี่มารังควานแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท้าวสวัสดีมาร ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหลายคอยรังควานพระองค์มาเรื่อยแม้แต่วันที่พระองค์ตรัสรู้ก็ส่งทิดามานมาแม้แต่พยายามม า, มาพยายามทําวิธีการต่างๆยกกองทัพมาเพื่อจะมาทําให้พระองค์นยอมพ่ายแพ้อยู่ในอํานาจแต่พระองค์ไม่ยอมไม่ยอมพ่ายแพ้ตั้งมั่นด้วยสัจจะทิฏฐานอ้างพระบารมี30มสิบทัตมหาบริจาคทั้ง5้ามาเนี่ย เพือเอาชัยชนะมารให้ได้สุดท้ายก็พระองค์ก็สามารถเอาชัยชนะแก่มารพญามารและบริวารได้นอกจากนี้ก็ยังมีธิดามารคือนางอารตีนางราคานางตันหาเนี่ยอาสาบิดาเห็นบิดาเศร้าโศกเสียใจไม่สามารถเอาชัยชนะแก่เจ้าชายสิทธัตถะได้ก็เสียใจร้องให้เสอืสอกสื่ื่นทิดาก็เลยอาสามา เพื่อจะมาล่อลวงให้เจ้าชายศิทธะหรือพุทธเจ้าของเราเนี่ยยอมพ่ายแพ้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทําให้พระพุทธเจ้ายินดีกับอาการกิริยายั่วยวนนั้นได้นางก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปนี่เรียกว่าชนะพวกเทวบุตรมานทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยอํานาจของพระบารมีธรรมของพระองค์สอภิสังขารมานมานคือความ ยินดีหรือความยินร้ายได้แก่กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมอกุศลธรรมที่เราทําไปแล้วเป็นอภิสังขารมานปรุงแต่งรูปนามขันห้าหรือปรุงแต่งจิตใจเราให้เป็นไปตามอํานาจของกรรมที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามอํานาจของอภิสังขารมานเมื่อเราทําอกุศลบาปประธรมไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องมาทําให้เราได้รับผลคือความทุกข์ ความเดือดร้อนต่างๆในเรื่องของชีวิตบ้างบางทีต้องทําถึงกระสิ้นชีวิตต้องย่อยยับพินาศไปด้วยสิ่งต่างๆนี้เรียก ว, ว่าตัวอภิสังขารมานหรือแม้แต่กุศลธรรมบางอย่างที่เราทําแล้วก็ต้องทําให้เราต้องพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รักจากของที่เป็นที่รักไปนี่เรียก ว, ว่าตัวอภิสังขารมานพระองค์ชนะแล้วพอพระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในวันตรัสรู้ บุญบาปของพระองค์ก็หมดไปพระองค์ไม่ต้องไปรับอีกแล้วไม่ต้องมาเกิดมารับใช้ชดใช้กรรมทั้งบุญทั้งบาปไม่มีอีกแล้วการกระทําของพระองค์ซึ่งเป็นจึงเป็นไปเพื่อหน้าที่ของความเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลกเพื่อประกาศพระสัตยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตว์โลกเท่านั้นเองทเรียก ว, ว่าเป็นอภิสังขารหมานพระองค์ก็ชน ะ, ะแล้วก็อันที่ห้า เป็นมารที่คอยร้างขวานคือชีวิตของเราทั้งหลายคือกิเลสมารเป็นกิเลสที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญยิ่งกว่ามารทั้งสี่อย่างดังกล่าวแล้วสําคัญกว่าขันธมารสําคัญกว่ามัจจุมารเทวปุตตมารและก็ภิสังขารมารเพราะว่ากิเลสคือสิ่งที่อยู่ในใจเราคอยบงการเราอยู่เรื่อย เราจะเห็นว่าบางคนเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีของหน่วยงานต่างๆสามารถบังคับบัญชาผู้คนได้มากมายแต่ปรากฏว่าบุคคลนั้นบางทีบางครั้งหรือหลายครั้งหลายคราวไม่สามารถบังคับบัญชาจิตใจของตนเองได้ต้อง ป, อปล่อยจิตปล่อยใจของตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตันหาราคะ ต่ต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าของเราในตั้งแต่สร้างบารมีมาหรือตั้งแต่เวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรมาเนี่ยพระองค์ก็ทั้งแพ้และชนะบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะผลัดกันแพ้ผลัดช น, ชนะมาเรื่อยในเวลาใดหรือเวลาภพภูมิใดชาติใดพระองค์ชนะกิเลสมารได้พระองค์ก็ทรงมีอิสระในการที่จะสร้างบารมีทั้งหลายสมกับเป็นเป็นโพธิสัตว์ แต่ในบางชาติพระองค์พ่ายแพ้แก่กิเลสเหล่านั้นพระองค์ก็ต้องเป็นไปตามอำนาจกิเลสสภาพของความเป็นโพธิสัตว์ก็เหมือนกับถูกลบเลือนไปเหมือนกับถูกปิดกั้นไปนี่เรื่อง<ม>เป็นการแพ้และชนะชนะแล้วแพ้แต่การชนะครั้งสุดท้ายที่ต้นพระสีมหาโพธิอัปราชิตบรนลัง คือบัลลังที่ชนะมารชนะกิเลสสมานแล้วไม่กลับแพ้แต่ตอนที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองชนะโดยเด็ดขาดกิเลสในพระทัยของพระองค์นั้นหมดเส้นไปไม่กลับขึ้นอีกไม่เกิดขึ้นอีกไม่สามารถที่จะมาบงการจิตใจของพระองค์มาบงการพระทัยของพระองค์ให้ตกอยู่ใต้อำนาจได้ ฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสรูนุตรสัมมาสัมโพธยานแล้วจึงสามารถเป็นอิสระแกมานทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะกิเลสสมานซึ่งเป็นหัวหน้านั้นเมื่อชนะกิเลสสมานได้แล้วมานอื่นๆก็รังควานพระองค์ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาปรารถมานึกถึงความชัยชนะอันยิ่งใหญ่ และการชัยชนะนั้นไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่พระองค์โดยส่วนเดียวเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายในดินแดนชมพูทวีปตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือเมื่อพระองค์ทรงชนะมารเหล่านั้นแล้วก็มาอบรมสั่งสอนมาบอกวิธีการแก่สาธุชนทั้งหลายผู้ต้องการที่จะชนะมารว่าควรจะทำพิธีอย่างไรจึงจะชนะมารเหล่านั้นได้ บุคคลที่ยอมเชื่อยอมฟังยอมปฏิบัติตามของพระองค์ก็ได้สำเร็จได้ชนะมารเหล่านั้นได้คือได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลจนถึงพระอระหรันได้ถึงเข้าสู่ปรินิพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาพระจนมารอีกต่อไปฉะนั้นเรามาบูชามารำลึกมานึกถึงความใจ ช, ชนะอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ประโยชน์มาให้แก่เราถึงเราจะยังไม่ชนะเราก็ปฏิ ญ, ญายอมรับ ในความสามารถในชัยชนะของพระองค์และก็ตั้งตนที่จะประพฤติปฏิบัติตามต่างก็หวังหวังผลคือไม่ผ่านแม้แก่การทำบุญใดๆ เ, เช่นเราถวายสังฆทานเราก็ปรารถนาเพื่อให้ถึงนิพพานก็หมายความว่าเราปรารถนาที่จะให้ชนะแก่มารทั้งหลายโดยเฉพาะกิเลสมารนั่นเอง ฉนั้นวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมใจกันร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะทำพิธีการเฉลิมฉลองอพุทธชยันตีคือระลึกถึงความชัยชนะของพระพุทธเจ้าบูชาขอพระพุทธเจ้าด้วยอาิตรสบูชาคือการจัดนิทรศการต่างๆ ต, ตลอดถึงการถวายความอุปถัมภ์แก่พิสุสุ์และก็ทำปฏบบิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า เช่นการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้นตามสมควรแก่อัตาภาพของตนเพราะว่าการปฏิบัติแต่สิ่งต่างๆหรือการบูชาด้วยของสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สันเสริญอามิตรบูชาก็มีความสำคัญเป็นพื้นฐานเป็นการสร้างสร้างเสริมบุญกุศลเพื่อให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นประเนตรขึ้นเพื่อน้อมเข้าไปสู่ปฏิบัติบูบชา การปฏิบัติบูชานั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสันเสริญยิ่งกว่าอามิสบูชาไหนๆเพราะว่าการปฏิบัติบูชานั้น 1. ทําให้ศาสนาดํารงยืนยงอยู่ได้ 2. ทําให้บุคคลนั้นสิ้นจากอาสวะกิเลสหรือทําให้หลุดพ้นจากอํานาจของมารต่างๆได้เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราจะต้องบูชาทั้งสองอย่างคืออามิสบูชาและกที่สําคัญต้องปฏิบัติบูชาด้วย ถ้าเราบูชาแต่อามิตรเฉยๆจุดประสงค์ก็ไม่สามารถจะบรรลุได้คือให้ทานรักบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆไม่สามารถไปสู่พระนิพพานได้ต้องปฏิบัติจึงจะสามารถเจริญรอยตามและบรรลุจุดหมายเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุได้ทีนั้นก็ในวันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัตรคังโคสิตารามก็ได้มาเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาและเจตจำนงของทุกท่าน ที่ได้ตั้งจิตตั้งใจจัดงานพุทธชยันตีวันวิสาขาบูชาศปดาแห่งการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเพื่อใหอ้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้มีความสนใจนั้นอาตมาภาพระข อ, อนโมธนาในกุศลศรัทธาของทุกท่านที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันณนะวันนี้และวันต่อๆไปในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดระฆังโคสิตารามทั้ง9้าโรคขออ้างเอาคุณพระศีรัตนาตรายัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาดีแล้วอในครั้งก่อ น, ก, อนก่อนก็ดีในครั้งนี้ก็ดีขออำนาจแห่งคุณความดีและบุญบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจใจเป็นออปนิสัยหนุนส่งให้ทุกท่านจงปราศจากทุกโศโรคภัยปราศจากเสนียดจันไรปราศจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุกกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในพระพุทธศาสนาเจริญในคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไป ให้มีอำนาจชนะภัยชนะมารชนะสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้มีจิตใจเหนืออำนาจของมารทั้งหลายทั้งปวงให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน